ตามหลักธรรมท่างกล่าวไว้ว่าศู้มจกักรัือเป็นระยะเวลาที่ว่างเล่าจากศาสนาไม่มีอัตมีธรรมคำว่าสีลว่าธรรมว่าบาปว่าบุญนี่ไม่ปรากฏในความรู้สึกของประชาชนทั้งหลายเลย คงไม่มีความสนใจกันก็ไม่ทราบว่าสินทำรรหรือบาปมีคุณโทษผล ป, ประการใดบ้างมคำว่าเป็นระยะที่ร้อนมากที่สุดอืนั่นหมายถึงดินฟ้าอากาศร้อนคือมันร้อนภายในจิตใจของสัตว์โลกที่เต็มไปด้วยยิ่งเลือขึ้นเป็นธรรมชาติที่เขาร้นคือเป็นธรรมชาติที่ร้อนอยู่แล้วเมื่อเขาไปสิงในถานที่ใดจุดใดจุดนั้นต้องร้อนในหัวใจใดหัวใจนั้นต้องร้อน พ้าไมมีน้ําดับคําว่าน้ําก็ได้เก็บีน้ำทำเป็นเครื่องดับความรุ่มร้อนถ่ายน้อยคือที่เหละเนี่ยศาสนานมีอยู่อย่างทุกวันนี้ถ้าไม่สนใจจะนําน้ําสีน้ำทำเข้ามาชาล้างคํามาดับความรุ่มร้อนอันนี้ก็ไม่ไายที่จะร้อนเช่นเดียวกับสุญญากับคําว่าสุญญากับในข้างโน้นกับสุญญากับของเรา ในระยะเวลาหรือของบุคคลเป็นบางคนนั้นมีอยู่เป็นประจำผู้ที่ไม่เคยสนใจกับสิ่กับทำกับคุณงามความดีอะไรเลยนั้นนัน่นแหละคือเป็นสมญกะผู้ที่ไม่สนใจอย่างนั้นเราอยากเข้าใจว่าเขามีเกียรติเขามีคุณงามความดีเขาเป็นคนเฉลียวฉลาดเขาเป็นคนเป็นคนมีฐานะดีเขาเป็นมนุษย์ที่มีความ ส, าาสง่าราศีตรงกันข้ามกันไปหมด คือภายในจิตใจที่ไม่มีศีลธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงและเป็นน้ําดับไฟแล้วจะให้ความล่มเย็นเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะพิเรฒมันสังหรึกอยู่ภายในจิตใจนั่นเป็นประจําซึ่งไม่มีอะไรที่จะดับและไม่สนใจที่จะนำอะไรมาดับแล้วจะหาความสุขความสบายมาจากที่ไหนโลกระมองกันมองอย่างผฉนเฉินคือมองตามความคาดความหมายตามความรู้สึกของตัวเองโดยไม่ได้นําเหตุนําผลนําอัดนํำทมเข้าไป เทียบเทียงหรือจับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเนื่องจากว่าเราก็ไม่มีมันจริงไม่ทราบความจริงซึ่งมีอยู่เต็มหัวใจด้วยกันทุกคนเด้อนแล้วตั้งแต่ความจริงทำท่านสอนอัดตอนทำแก่สรรโลกนั้นท่านสอนความจริงท่านไม่ได้สอนความปลอมแต่จิตใจขงเรามันชอบปลอมกับทำอยู่เสมอเป็นและเป็นค่าศึกต่อธรรมเป็นค่าศึกต่อตนเองอยู่เรื่อยๆเวลาจะประกอบศีลธรรมคุณงามความดี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 เราทั้งหลายที่แม้จะนับถือพุทธศาสนาอยู่ก็าตามระยะใดที่ห่างเหินจากศีลจากธรรมจากการประกอบคุณงามความดีเฉพาะอย่างยิ่งคือการอบรมจิตใจให้มีความส ง, งบร่มเย็นระยะนั้นมันก็เป็นสุญญากาศได้ระยะใดที่เป็นสุญญากาศภายในจิตใจระยะนั้นใจจะร้อนใจความร้อนนั้นจะไม่เป็นสุญญากาศมันจะร้อนของมันเรื่อยๆคำว่าสุญญากาศคือว่างเปล่าจากเหตุจากผลจาก คำว่าอักวธรรมคำว่าบาปว่าบุญไม่ไลึกพอที่จะหาทางแก้ไขและส่งเสริมเลยท่านเรียกว่าสุญญากาศภายในจิตใจของสว์โลกแต่เมื่อสุญญากาศเข้าสู่จิตใจใจดเนี้ยจะมีศาสนาอยู่โดยที่ตนก็ปฏิ ญ, ญาณตนว่านับถือศาสนาก็ตามแต่ขณะที่ไ ม, ม่มีศาสนาไม่มีเหตุมีผลเป็นเครื่องยับยั้งชั่งจวงตนเองทดสอบตนเองว่าผิดหรือถูกประการใดมั้งประการใดบ้างนั้น ระยะนั้นเป็นความรุ่มร้อนของกิจไม่ใช่น้อยเหมือนกันมีนเรียกว่าสุญญากัศมีเราเทียบเข้ามาให้ทราบถึงเรื่องสุญญากัศตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้พอเลยจากนั้นแล้วก็มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เมื่อตรัสรู้แล้วก็ทางสอนทำแต่โลกโลกก็เริ่มรู้สีรู้ธรรม แล้วกลับตัวเป็นคนดีแล้วมีความร่มเยืนไปเดิมดับเพราะอานาจแห่งศีลธรรมเป็นน้ําสําหรับดับไฟที่เหลือสถานะอัตวะซึ่งเป็นความรุ่งโรจน์โดยหลักธรรมชาติของมันบรรจาวไว้อย่างนั้นนห็นเราย่นเข้ามาคือโอปัญญายิโกน้อมเข้ามาสู่ตัวของเราในวันหนึ่งคืนหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งตั้งแต่วันเกิดมานี้กี่วันกี่คืนกี่ปีกี่เดือนกี่ชั่วโมงกี่นาที ระยะใดบ้างในช่วงที่เกิดมาจนกรทั่งถึงวันนี้ซึ่งเป็นสุญญากาศภายในตัวของเราและระยะใดบ้างที่มีศาสนาประจําใจแต่พออย่างยิ่งในขณะที่นั่งภาวนามันก็เป็นสุญญากาศได้อีกนั่งภาวนาพุทโธวุทโธเสเดียวเผลอไปโดดลงนรกแล้วอืยุ่งกับเรื่องนั่นยุ่งกับเรื่องนี้วุ่นวายกับอารมณ์นั่นวุ่นวายกับอารมณ์นี้นั่นแหละมันเป็นสุญญากาศแล้วโดยที่เราไม่รู้ เมื่ท่านที่เขาเลากันว่าเรานั่งภาวนาเนี่มันนั่งวนนั่งวุ่นนี่เป็นนั่งสุญญะกับเพื่อให้เข้าใจในเรื่องเหล่านี้และเพื่อให้ทันกับกนมายาของกิเลสกับควา ม, ม, มนุ่มหลงเนี่ยก็เป็นกิเลสปรเนะเภทเนี่ยถึงต้องตั้งสติสตังตั้งค่าตั้งท า, างพินิจพิจารณามีเจตนามุ่งตรงหน้าที่การงานของตนในขณะที่ทํา จะให้ความทั้งเผื่อเ่านั้นเข้ามาแบ่งสันปันส่วนเอาไปกินแล้วเอาไปกินจนหมดนั่งทั้งเวลาไม่ปรากฏเป็นผลอนไรขึ้นมาปล่อยให้แต่กิเลตให้แต่สุญญากลับเอาไปกินั้งหมดเนี mm ่ hmm. ไม่มีอะไรเหลือพอออกมาเฮลยนั่งขอหน้ําไม่ได้เรื่องนดี๋ยวเล่าอเลยวันนี้สิ่งที่ได้เรื่องในพูดได้เรื่องอะไรได้เรื่องยุ่งเรื่องวุ่นวาย mm hmm. อย่างนี้เรื่องไปตกนรกทั้งเป็นอยู่ที่ไหนบ้างนั่นไม่พูด แล้เราจะมาทวงเอาหนี้เอาสินจากอัดจากทำเหมือนศาสนาเป็นหนี้สินของคนเราเป็นเจ้าหนี้ศาสนาทวงอัดทวงทำเป็นเจ้าหนี้ของอัดของทำทวเอาพระท่านมันก็ไม่ได้สิเพราะเราทําเหตุไม่ดีกับตัวเองนล่งภาวนาตั้งล ง, น, งนานาไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรหรอกวาสานาน้อยเราหนิว่าดูเฉยดีกว่าเหรออีแล่นหะลอกไปเรื่อยเนาะ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 มาทดสอบดูพอทราบเหตุผลดีชั่วของของเราที่แสดงตัวไปเองทําขึ้นใหม่เราจริงไม่ทราบแล้วก็ไปทวงเอานี้เอาสิานจากอาจจากทำมาทําแล้วไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดความสุขความสบายไม่เกิดความสงบพอเราไม่หาความสงบหาแต่ความวุ่นผลนก็ได้แต่ความทุกข์ความวุ่น น, นะเพื่อความจริงตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้โดยถูกต้อง ท่านเนสอนของกรองอันใดที่มีอยู่ภาในจิตใจของเราท่านสอนให้เข้าใจให้รู้ดังที่ก่ามาเหล่านี้มีอยู่กับจิตใจของทุกคนที่เรียกว่าสุญญากาศสุญญากาศเนะี่ยว่างเปล่าจากอัดจากทำ ท, ทั้งทั้งที่นั่งภาวนาอยู่คิดเถอไปไหนกลอยไป เ, เรื่อยื่ ว, ว่านั่งภาวนาผ ม, มก็ไม่ปรากฏะ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 ทำมาขยี้ขายำแหลกเหลือไปหมดทั้งๆที่เราวันเรานับถือศาสนาคือเทิดทูนศาสนาแต่เราทำลายศาสนาซึ่งมีอยู่ภายในตัวของเราและทําลายตัวของเราโดยไม่รู้ตัวเพราะความเผลอความไม่รอบคอบในตัวของเรานั่นแหละเป็นฆ่าติดต่อเร า, านั้นเพื่อให้ได้ผลเท่าที่ควรหรือให้เด้ดลยิ่งยิ่งขึ้นไปจึงควรคํานึงถึงเหตุที่ตนทําคอยจดจ้อง มองดูจุดที่ทําอย่าให้เผลอผมจะกําหนดพุดโทโธก็ให้เป็นพุโทโธจริงๆให้รู้อยู่กับพุโทโธเท่านั้นเราไม่ต้องการสวรรค์วิมานที่ไหนแหละนอกจากคําว่าพุโทโธให้กลมกลืนกับความรู้มีสติกํากับงานอยู่เท่านั้นเราจะเห็นความสงบที่เราเคยได้ยินแต่ชื่อก็จะมาปรากฏที่ตัวของเราความความเย็นความสบายความเป็นสุขที่เกิดขึ้นทพรจิตใจสงบ ก็จะเห็นภายในตัวของเราเราจะเป็นผู้รู้เราจะเป็นผู้เห็นเราจะเป็นผู้รับผลอันนี้เพราะเราเป็นผู้ทําเองด้วยเจตนาที่ถูกต้องตามหลักธรรมจะไม่เป็นอย่าง อ, างอื่นคาถนาเคยสอนโลกมาอย่างนี้ถ้าผู้ปฏิบัติอย่างที่ว่าตามหลักธรรมที่ตานสอนนี้แล้วจะไม่เป็นอื่นต้องอย่างเข้าถึงความสงบเป็นอย่างน้อยและจะสงบขึ้นไปเรื่อยๆโทษที่เคย รวมรว ม, มภารกิจใจก็จะเห็นกันรู้กันเพราะอยู่กับใจคุณค่าที่เกิดขึ้นจากใจเพราะการชำระการฝึกการประมาณปฝากรามที่เดออกได้มากน้อยก็จะปรากฏที่ภายในใจของเราเองเราจะเป็นผู้เห็นเองรู้เองโดยไม่ต้องฟังข่าวทอ้งไทยทั้งนั้นเราเป็นตัวจริงเราเป็นตัวข่าวเราเป็นตัวรู้เราเป็นผู้รัรบภาพเราเป็นผู้สวยผลเกิดขึ้นจากการกระทําของเราเราจะทราบด้วยกัน เรื่องภาวนาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นงานที่อัศจรรย์มากมายก่ากองในผลที่เกิดขึ้นจากงานนี้พระพุทธเจ้าจะเป็นผู้ือโลกดูสงสารก็เพราะการกระทำภาวนาทรงกำหนดนาปารนิพติตามหลักท่านกล่าวไว้อย่างนี้นแต่ความอดพระกาย า, ารโดยมุ่งหวังความตรัสรู้จากการอดภัะยาหารเท่านั้นไม่สวย คือไม่ได้พิจารณาทางใจซึ่งเป็นความถูกต้องประกอบกันเลยจึงไม่มีทางสําเร็จได้เมื่อย้อนพระทัยหงษ์กลับไปถึงเรื่องตั้งแต่คราตรงท่า ย, ยาวอยู่โน้นว่าได้เจริญอนาปานาสติจิตใจมีความสงบจนไม่นําเรื่องนั้นเข้ามาพิจารณาอนาปานาสติพราอจิตมีความสงบสงบโดยละเอียดละออลงไปโดยลดําดับ ก็ทรงมีทางที่จะพิจารณาไตรกองโดยทางสติปัญญายกปฏิจจสมุปบาทขึ้นมาอาวิชชาปัจญญาสร้างข้าล่ะเป็นต้นทีามีอยู่ในพระกายมีอยู่ในพระจิตนั่นด้วยกันก็ทรงไตรกองตามเหตุตามผลตามความตัดความจริงที่มีอยู่ด้วยพระปัญญาปีชาสามารถองชาลาดรู้ขึ้นมาในปัญญามายาหอาวิชชาปัญญาที่ ผูู้มนุษย์ครูสัตว์ทั้งหลายให้ท่องเกี่ยวอยู่ในวัตวนเหมือนกับคนหูหนวกสัตว์หูหนวกตามบอดมาตั้งกับตั้งการพระ อ, องค์ได้สลัดปัดทิ้งหมดความบอดความถ่งวงเหล่านี้ปรากฏในพระไทยว่าอาสวัคยายานได้สิ้นแล้วจากอาสวะเพื่อมนมืนมนอุนตการทั้งหลายอนอกจากนั้นยังกิดูปาตยานอื่นยูความเกิดความดับของตัดของพระ อ, องค์ ยาไหนาๆก็ทรงทราบไปหมดโดยตลอดตัวถึงนั่นท่านทำท่านทํ า, ท า, ทาจริงของท่านอย่างนั้นแล้วมันนําสิ่งที่ทรงทําแล้วทรงเห็นแล้วทั้งเหตุทั้งผลนั่นเองน่าสั่งสอนโลกยิ่งเป็นความถูกต้องแม่นยําไม่มีโอวาทของใครๆหรือคําสอนใครที่จะถูกต้องแม่นยํายิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเอกรนามมาจริงก็คือถ้าโอวาททำน้ำสอนพระพุทธเจ้าไม่มีสอง และพะยานความอย่างทราบในเหตุการณ์ต่างๆไม่มีสองทรงรู้ทรงเห็นทรงรับสั่งออกมาอย่างไรต้องเป็นไปตามความจริงนั้นโดยไม่เป็ น, ป น, ป น, ป น, ปนอย่างอื่นได้เลยนี่นเจกานามะจิงแปลว่าหนึ่งไม่มีสองและพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้เป็นมาแต่ละองค์แต่ละพระองค์พระองค์งนั้นไม่ไม่ตรัสรู้ซ้ํากันมีแต่พระองค์เดียวเท่านั้นแต่ละครั้งละครั้งมีอันหนึ่งเียูเอกานามะจิงนีพระพุทธเจ้า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 ตัวนี้แหละตัวที่ปรุงแต่งนี้เองตัวที่จะไปกหยิบนั่นหยิบนี่คว้านั่นคว่านี่ปรุงแต่งเรื่องพบเรื่องขาดเรื่องที่เลือกตัญหาอาสวะก็คือตัวนี้เนี่ยปัญญาพิจารณาเช่นน่้อาสวะขมามันก็ที่เลืดรู้ทันที่นตรงไหนมันก็ดับไปดับไปของมันของนั้นจนกลายเป็นอาสวะขา ย, ยานความรู้แจ้งในงความสิ้นอาสวะเกิดทั้งหลายโดยสิ้นเชิง หรือตลอดทั่วถึงแน่ว่าเนี่ยเราอยู่ในกลับไหนเวลานี้เราต้องทดสอบเราพัฒนากลับที่เป็นศูนย์จะกลับพัฒตากลับกะกลับที่เจริญเจริญในการประกอบความภาคเพียรในความมีสาละภายในตัวเองในวันหนึ่งหนึ่งสร้างสาละทาขึ้นภายในใจิตใจ เป็นทัศกับเป็นขณะเป็นเวลาเป็นการที่จเจริญรุ่งเรืองอยู่ทุกระยะนั่งสมาธิภาวนาก็เป็นสมาธิภาวนาไม่เป็นหัวต่อโดยมีสติต่างทั้งๆิีไม่หลับแต่มันก็หลับด้ดวยความไม่มีสติคลุกคลุ้มตานยุ่นว่ายันดิบไปเรื่อยๆฟันดิบฟันสดไปเรื่อยๆด้วยนั่นเรื่องนี้ต่อไปทังหลูกทึ้งล้านถึงบ้านถึงเดือนทั้งจิตการที่อะไรเมืองนอกระงนาที่ไหนนัปนายหมด เอออดีตอนาคตยุ่งไปหมดน่นเป็นอะไรดูถ้ามันมีสติมันเป็นอย่างนั้นทำามีสติแล้วมันจะไม่ไปเราบังคับเวลานี้เราต้องการที่จะทําหน้าที่นี้อย่างเดียวให้เป็นผ้ะถักน่ะให้มันเป็นสุญญากับนั่นเป็นสุญญากาศนักที่กลับไปแล้วนั้นะนั้นนำไปมาเผาจะของเป็นสุญญากับไม่มีศาสนาแสงเลยขณะนั้นคือไม่มีสติสตัง ถ้มีปัญญาตามรักษาเลยปล่อยตั้งแต่กิเลสไอ้กิเลสถูกลากจูดไปโดยเจ้าของไม่รู้สึกกว่าจะรู้สึกเขาปล่อยแล้วถึงรู้ตัวเนี่ยเวลาเขาถูกเขาลากฝันฝันสดไปแล้วเขาเขาปล่อยแล้วคือจมารู่ตัวกุฏายมันคิดอะไรเรื่องราวอะไรมัยังดีอยู่ที่กูตายมันคิดไปอ ไ, ไอ้ที่ไม่ทราบเลยที่ พอวกกลับขึ้นมาเนี่ยมันยังไงว่านั่งทำงานภาวนาตั้งเป็นเวลาทั้งหลายนาทีหรือเป็นชั่วโมงเมไม่เห็นได้เรื่องอะไรฮะมันนั่งอะไรในเรื่องเนี่ยนอนถ้าดีกว่าล้มไปแล้วมันมันจะไปดีกว่าถ้านบอกอ่างมันดีหมอนตอนนั้นอืมจะดีกว่าก็ไปดีที่หมอนเนี่ยมันไม่เกิดผลเกิดประโยชน์คล้ายๆก็คืนอนได้นอนอย่ามันถ้าดีกว่ามันพ้นคุกไปกันด้วยกันทั้งนั้นแหละมันดีกว่าภาวนา หมอนดีกว่าภาวนามันก็ค้นถูกกไ็ได้หมดแต่ น, นี้มันไม่ดีกว่ามันเป็นเรื่องกิเลสหลอกเรากล่อมเราให้หเราว่าเป็นของดีกว่าคือดีกว่าภาวนาเนอะกิเลสมันต้องแทระทำเสมอพวกนี้พว ก, กอบวัพวกยุแย่พวกทําลายหะทําลายอยู่ทุกแน่ทุกมุมทุกการทุกเวลาทุกอียาบทก็คือเรื่องของกิเลสนะพระพุทธเจ้าทำเพียงสอนให้แก้ให้ปราบกิเลส เพแรกซึมมันอยู่ภาณในาจิตใจด้วยชติปัญญามีความเพียรเป็นเครื่องหนุนหลังความอดความค้นให้พยายามเราทำหน้าที่การงานอันเป็นสาระประโยชน์สำคัญเพื่อเราให้เป็นภัาพัตกับพัรมุคคลที่ภาณในาจิตใจจึงต้องอาศัยความข ย, ยันหมั่นเพียร ง, งานทุกด้านที่เป็นผลเป็นประโยชน์เราจะสร้างวัสมากิดขวางไม่ให้ทางา น, นนั้นๆ จิตถ้าสงบมันก็สบายทําให้สงบไม่ว่าแต่การไหนจนกระทั่งวันตายก็หาความสบายไม่ได้เพราะจิตวุ่นีจิตจะหาความสบายที่ไหนทําความเข้าใจไว้ว่าศูนย์กละปับอยู่ที่นี่ทัศกับก็อยู่ในผู้มีความเพียรมีสติมีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตัว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 ถปล่อยที่เละบ้างที่เละด้วยสติปัญญานั้นมีเหตุมีผลพระพุทธเจ้าท่านปล่อยอย่างนั้นรู้เหตุรู้ผลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วปล่อยไปตามลํำดับลํานาปล่อยโดยลําดับจนกระทั่งปล่อยโดยสิ้นเชิงสุดท้ายก็คือแปล่อยที่เละหมดเหนือแต่พระทัยที่บริสุทธิ์พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ปล่อยพวกเรามีแต่เที่ยวิึดเถือเทอ่ออออแบบจะีหามหนักเท่าไรก็อย่างมากก็บ่นเอาแล้วก็ไม่ไวายที่จะแบกจะหามแล้ว มาเพิ่มเติมเรื่อยๆไม่ว่าหนึ่งว่าน้อยเท่ากับทาราเป็นตัวขยันที่สุดก็คือการแบกการถามอารมณ์ความคิดความปรุงต่างๆไม่ได้คิดถึงคํานึงถึงไวัถึงปีถึงเดือนถึงอายุสังขารจะฟังเลยขยันที่สุดก็คือเรื่องแบกเรื่องถามกองทุกแบกสัญญาอารมณ์การพูดเช่นนี้ก็เพื่อให้เราระลึกตัวของเราให้เรารู้ ว่าเราเคยเป็นอย่างนี้มานานเท่าไหร่แล้วยังจะฝืนนี่เป็นอย่างนี้อยู่ยเหรอผลที่เป็นมาเพราะการทําอย่างนี้เป็นอย่างไรเราก็ทราบตัวองเรเองแล้วเวลานี้เราจะแก้ไขตัวเราอย่างไรถึงจะให้เบาบางลงไปบ้างพอได้มีความผ่อนคลายทาง จ, จิตใจได้รับความสะดวกกาสมาจัดดังที่เราท่านตั้งหลายได้อุตสัมมานีก่อนนะว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างจริงเป็นเจรนาที่ดีที่สุด มาบำเพ็ญ น, นี่คือแ บ, บมาหาสาระคุณสาระประโยชน์นั่นจึงปเป็นารบำเพ็ญพิจารนาให้เหมาะสมกับการเวลาที่มานั่นสมาธิภาวนาดูตัวของเราตัวของเราเป็นยังไงถึงต้องดูถ้าเป็นคนไข้ก็ต้องหมอเป็นผู้ผู้ตรวจผู้รักษา แล้วจิตมันเป็นโรคเป็นโรคอะไรใครจะเป็นหมอเป็นผู้ตรวจผู้รักษานี่สำคัญโรคของจิตคือเรื่องของกิเลสยาก็คือธรรมหมอก็ได้แจกครูแกอาจารย์ไม่ตำหนักตรราท่านสอนเอาไว้นำมาประพฤติ ป, ปฏิบัติกำจัดโรคเชื้อโรคอันสำคัญที่มันสังอยู่ภายในจิตใจนี้อย่างจมมิตรถอดถอนด้วยความภาพเพียรยาลดละถอยหลัง ความหวังที่ตาดถนาด้วยกันนั้นจะทุ่งสาเร็จไปโดยลําดับลำดับเพาะอย่างยิ่งคือการพิจารณาเรื่องถากหนึ่งขันเรื่องความเป็นความตายในสกุลกายของเรานี้เป็นสิ่งสาคัญมากยิ่งกว่าเราจะไปคิดถึงเรื่องอื่นเรื่องความตายติดแน่จะกับตัวของเราทุกคนความเจ็บความทุกข์ความลําบากในร่างกายและจิตใจก็ติดแน่จะ ก, กับการขับใจของเราเราไม่ได้ปล่อยไม่ได้วางนอนอยู่มันกระแทกเราอยู่นั่นแหละ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 ให้รูกนี้เข้าใจสมกับศาสนาที่ออกมาจากท่านผู้ฉล า, าดแหลมคมมาสอนเราซึ่งเป็นพุทธบริษัทเพื่อความฉล า, าดแหลมคมให้ทนทันกนมายาแห่งความโง่ของต่มที่มีอยู่ภายในต่มความโ ง, ง่กับพุกิเลจร้ยารยกว่าความโง่แต่ว่าเราว่ากิเลสมันโง่นะความจริงกิเลสมันฉล า, าดที่สุดฮะที่เราถูกกล่อมมาเ ร, เรื่อยมีแต่ความฉล า, าดแหลมคมของกิเลสทั้งนั้นราะจ๊ะ กิเลสมันโง่ได้ไเอนะผู้ที่เชื่อกิเลสนั่นแหละคือผู้โง่ว่าอย่างนี้ถูกต้องเลยแล้วใครละเชื่อกิเลสโดยลําดับลำดั ง, ด ง, ด ง, ดงแล้วมีใครบ้างก็พวกเราพวกสัตว์โลกนี้เองเป็นผู้โง่เพราะเชื่อกิเลสกล่กอมเมื่อไรก็หลับเมื่อนั้นเทิมเมื่อนั้นลาบไปเมื่อนั้นไม่เคยตื่นเมือ่อตื่นตัวไม่เคยเห็นภัยแห่งความกล่อมของมันออืก็คือพวกเรานี่พระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านเป็นผู้รู้สึก พระองค์แล้วรู้สึกตัวให้นำธรรมเข้าไปหรือถอนตนออกจากไฟทั้งหลายเหล่านี้เสียได้แล้วนำธรรมเหล่านั้นมาสั่งสองพวกเราประกาศทั้งคุณทั้งโทษประกาศทั้งทั้งโทษทั้งคุณก็คือโทษได้แก่ี่เหลตายเพราะได้แก่ความนุ่มหลงแต่ตามี่เหลรศปัญหาเพราะคุณก็คือได้แก่สติปัญญาศรัทธาความเพียรที่จะรื้อถอนสิ่งเหล่า น, นี้ออกจาก จิตใจของตนกายเป็นผู้ฉลาดแหลมคมขึ้นมาหลุดพ้นออกจากแอบที่มันกดท่วมือกดอยู่บมคอนไล่จับมือใจของเราโดยลำดับลาดับจนกาเป็นอิสระขึ้นมาได้ดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่าน ม, มีหมดพระพุทธเจ้าท่านหมดหมดสิ่งกดท่วทั้งหลายอะไรกดท่ว ยึดอะไรหลงอะไรอันนั้นแหละกดถ่วงความยึดความถือตัวของตัวเองนั่นแหละมันมากดถ่วงตัวเองระยึดภูเขาทั้งลูกภูเขาม้มากดถ่วงเราแต่ความยึดนั้นภูเขาทั้งลูกนั่นแหละมันมากดถ่วงเรานีา่ยึดอะไรหลงอะไรความยึดความหลงอันนั้นแหลมมันมากดมาถ่วงมาบิดบังคับจิตใจของเราสิ่งนั้นที่เราไปยึดไปถือมันไม่ได้มา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 ต่งสมคุกคให้แก่ตนเองมากเท่าไรยังไม่เคยเห็นโทษของมันเมื่อได้เรียนทางด้านภาวนานแล้วเริ่มจะทราบไปโดยลําดับลำดับโยนเข้ามาถึงเมืองขาดเมืองขันอันตรนสมบัติสาคัญของเราได้แต่ร่างกายอ่าโยนเข้ามาตรงนี้ร่างกายทุกส่วนนี้มันก็จะต้องซลายภายในวันหนึ่งทุกวันนี้มันก็เริ่มของมันอยู่แล้วตลอดมาเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆความเปลี่ยนแปลงของธาตุขันแต่และทิศลอันนี้มันตามความทุกข์ร้อนให้แก่เรามากน้อยเพียงไร ถ้ามันออกอย่างเปิดเผยก็ทราบถ้ามันมีมันเจ็บตงนั้นปวดตรงนี้ติดเจ็บพร้องปวดหอเป็นต้นถ้าไม่แสดงอย่างเปิดเผยก็เป็นอี่ล้ำลับเราไม่ทราบอืมเรื่องธาตุเรื่องขันเปยียงนี้เวทนากับความทุกข์อืมคือทุกขาเวทนาดีที่อยู่ทั้งนั้นแ่ะยืนเดินนั่งนอนก็บีบบังคับอยู่นั่นพิจารณาตรงนี้ให้รู้ตรงนี้รู้นี้แล้ว ถึงอันนี้จะอยู่กับเราก็ตามก็ไม่กดท่วงเราได้เพราะความยึดของเราไม่มีเนื่องจากเรารู้เท่าทันกับสิ่งเหล่านี้ปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงที่เส้นเดียวกับสภาวธรรมทั้งหลายใจก็สมายอยู่ในท่ากลางแห่งท่าแห่ ข, น ข, นขันก็ไม่หลงท่าขันท่าขันก็ไม่มาทับผมเราได้แล้วก็เป็นอิสระอยู่ภายในจิตใจนี่ที่ว่าผู้ฉลาดครองขันผู้ฉล า, าดรักษาขันขันไม่ได้ ไม่สามารถจะมาเป็นภัยต่อเราได้เพราะเรามีปัญญามีความเฉลียวฉลาดทันของมันมีทันนักป่าทัานว่า น, นี่คือความฉลาดขนาดแก้ตัวว่าพ้นไปได้นั่นแหละเป็นความฉลาดของนักป่าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นความฉลาดนอกนั้นพาให้เจ้าของจงใช่ไหมพระพุทธเจ้าจึงไม่มทรงเฉยว่านั่นเป็นความฉลาดอย่างแท้จริง ความฉลาดได้ที่เป็นไปเพื่อความสุขความจเจริญจากตนและส่วนรวมนั่นแหละคือเป็นความฉลาดแท้แต่เพราะยางยิ่งความฉลาดเอาตัวรอดนี่เป็นสำคัญตัวรอดได้ก่อนแล้วนำผู้อื่นให้รอดค้นไปได้โดยลำดับลำดับนี่คือแบบความฉลาดการแสดงธรรมก่เห็นในะขัข้นกวรา่อยุติเพียงเทน